ยัยงนตววั้วงใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อเองจะแนะนำเรื่องของศีลคุณค่าของศีลที่พวกเรารักษาแล้วนั้นศีล จะคุ้มครองสินมีคุณค่าอย่างไรปีนี้หลวงพ่อเองทราบว่าเจ้าพ่อคุณสมเด็จวัดปากน้าท่านก็ได้ประกาศออกมาว่าให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าควรจะมีสินห้าแล้วก็ควรจะมีหมู่บ้านสินห้าอันนี้ก็คือความประสงค์หรือว่าเจ้าพคุณสมเด็จ ที่ท่านได้พูดออกมาแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อเองอยู่ใน MP3 ที่หลวงพ่อได้พูดณนะสถานที่ต่างๆก็ได้เน้นเรื่องศีลห้าให้กับคณะาญาติโยมลูกหลานเพื่อการศึกษาเพราะว่าช่วงหลังๆพวกลูกหลานของเราก็รู้สึกจะห่างเหินจากศีลธรรมจริยธรรม ต, ตามเมติงการคลองชีพของพวกเราความรู้คู่ขนธรรมอันนั้นคือหนทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเราศึกษาด้วยอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธ ว, วิชาจารณะสัมปันโนวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติต้องไปด้วยกันอันนี้คือ เรามีอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครที่จะยบหยิบยกขึ้นมาพูดให้พวกเราเออได้ฟังเพื่อการศึกษาเพราะนั้นหลวงพ่อไปนะสถานที่ต่างๆอย่างมาอย่างคราวนี้เห็นพุทธบริษัทสัทธายาตโยมลูกหลานที่เข้ามาร่วมงานมากหน้าหลายตาหลวงพ่อก็จะพูดเรื่องศีลห้าให้กับพวกเราท่านทัน้งหลายเพื่อการศึกษา เพราะว่าลูกหลานของเราพอเกิดมาพวกเราก็ถ้าผู้มีฐานะก็ส่งเข้าไปเรียนหนังสือต่างศาสนาพอไปเรียนแล้วก็พอจบมัธยมต่อไปก็ปริญญาตรีโทเอกและก็ไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาก็ห่างเหินเรื่องพระพุทธศาสนา เพราะนั้นพวกเราถ้าหากว่าไม่ได้บวชไม่ได้ศึกษาถ้าไม่ได้สนใจก็เหมือนกับศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของคนโบราณแล้วคนแก่คนเฒ่าเท่านั้นเองแต่ตามที่จริงพทุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทุกคนถ้าพวกเราต้องการความสุขความเจริญความสุขความร่มเย็นเป็นสุขในการอยู่ เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะแล้วต้องมีศีลห้าเป็นศีลที่คุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เพราะนั้นหลวงพ่อไปนัสถานที่ใดหลวงพ่อจึงได้แนะนำเรื่องศีลห้าให้กับพวกเราเพื่อการศึกษาอันดับแรกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอารัธนาศีลไมยางพันเตวิสูงวิสูงรักณัดถายะแต่บางครั้งก็อารัธนาศีนว่ามยางพันเตติสรณเตหะ ปัญจศีลานิยาจามะข้าพเจ้าจะรักขอสมาทานศินแต่ศินห้าเหมือนกันทําไมทําไมอาราธนาไม่ไม่เหมือนกันแต่พวกเราสัทธายาตโยมจะไปพูดหรือไปวิจารณ์ก็กลัวบาปก็เลยเอา้าเขารับมาเราก็รับไปก็แล้ ว, แ ล, วแล้วกันแต่ตามไม่จริงเป็นสองจริงๆนะครับนัตถายาติโยม เ, เป็นสองคืออาราธนาไม่อย่างพันเตวิสูงวิสูง ข้าพเจ้ามาสมาทานศีลในวันนี้ไม่มั่นใจว่าจะรักษาศีลให้ตรอดตอดฝั่งทั้ง5ข้อได้เพราะฉนั้นข้าพเจ้าขอรักษาเป็นข้อข้อข้อที่1ถึงข้อห้าถ้าว่าเรารักษาเป็นข้อข้อที่1นึ่งถ้าเห็นยุงเราตบยุงหรือข่ามดบีมมดศีลขาดไปข้อหนึ่งถ้าเราลงไปเห็นรองเท้าเขาสวยกว่าขโมยรองเท้าเขาขาดศีลข้อที่สองไม่เคารพในสิทธิสามีภรรยา อันนั้นก็ขาดสินข้อที่สไปโกหกเขาเข้าขาดสินข้อที่สไปดื่มสุราของมื่นเมาเขาขาดสินข้อที่หอันนี้คือขาดเป็นข้อๆคือวิสุงวิสุงแต่ไม่ยังพันเตติสารเนรัจหะปัญจะข้าพเจ้าจะรักษารวมกันทั้งห้าข้อถ้าหาว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดทั้งหมดเพราะฉนั้นข้าพเจ้าจะรักษารวมกันทั้งหมดทั้งหข้ออันนี้คือปัญจะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อวัน รักษาศีลทั้งทีจะไปทำขยกขยักนะเราเอาทั้ง5าข้อพร้อมกันเลยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็รู้อยู่แล้วว่าการรักษาศีลห้าเป็นยังไงอันนี้ก็คื อ, อพวกเราท่านทั้งหลายควรจะรักษาให้บริสุทธิ์จากนั้นหลวงพ่อก็เป็นผู้ว่าณโมเป็นผู้นำวันณโ ม, มตัสสะเขาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทําไมเราจะรักษาศีลทําไมหรือจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนวความคิดเรียก ว, ว่าต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาธสนาที่ศีลห้าบัญญัติก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญตัติเพราะฉะนั้นเราเห็นด้วยกับศีลห้าของพระพุทธเจ้า ก่อนที่เราจะรับสินเราจึงนอบน้อมต้นความคิดต้นศาสดาคือพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนก่อนที่เราจะรับสินจึงว่าหน้โมสมจบน้โมตัดสะเขาวาโตจากนั้นก็พุทธทางทำมังสารานางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง ทำไมเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เองจากนั้นท่านประกาศพระธรรมคำสอนออกมาพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์สี่ห้านี่ก็อยู่ในกลุ่มพระธรรม 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์พวกเราพิจารณาดูแล้วมีเหตุมีผลในพระธรรมคำสอนฉะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าเป็นสรณะยึดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ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 ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงสามครั้งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศินปาณาติปาตาเวรมเนสิขาประทังสมาธิยามิพระพุทธเจ้าทว่าอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าสัตว์ในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรพราเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สกนายาทของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเราไปฆ่าคนอื่นเขา เขาก็เสียความรู้สึกเสียใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นทุกคนมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะฉนั้นอยา่ า, ยาค่าอย่าคิดค่ากันถ้าเกีการคิดค่ากันจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชุมชนและสังคมของพวกเราอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเว ร, รมณีอย่าไปขโมยคนอื่นของคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยสิ่งของของเขาเขาก็เป็นทุกข์ใจเดือดร้อน ถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาเรียกค่าไทยหรือว่าเขามาเรียกเอาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจยอย่างมากคนอื่นเขาก็เสียใจยอย่างมากเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิชชาจารราเวรมณี สามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสังวนห่วงแหนของเขาของเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ต่างคนก็ต่างมีลูกหลานวงศ์สาขานายาดเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสีลข้อที่สข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอยาไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นลกโกหกเราเราก็เสียใจ อย่างพวกเราเขียนเช็คเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งเป็นเช็คแดงอย่างนี้ไปเรียกเอาไปให้เขาว่าเป็นเงินประกันเมื่อเขาไปเอาขึ้นเงินแล้วเช็คเป็นเช็คไม่มีตางค์เขาเสียใจไหมถ้าเราได้รับอย่างนั้นเราเสียใจมามเสียใจเพราะนั้นโกหกมีมากหลากหลายพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้ๆอย่ไม่ทาความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี เพรา้ให้พวกเราสังเกตนะจะเป็นใครก็ตามถ้าพูดก็ล่อนไปก็ล่อนมาไม่อยู่ก็ร่องครอยโกหกไปเลยเนะนี่ยคนคนนั้นนะ่ะจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะนั้นขอให้พวกเราสังเกตอันนี้คือศีลข้อที่4ข้อที่5สุราเมรยามัชฌะปะมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร อย่างนั้นก็มียาเสพติดมากมายหลายๆอย่างคือถ้าหากว่าดื่มดื่มหรือเสพอะไรเข้าไปแล้วทำให้สมองของเราปั่นปวดขาดสติอันนั้นแปลว่าจัดเข้าเป็นสุราทั้งหมดของเหมือนเมาทั้งหมดถ้าเหมือนเราดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติคนที่ขาดสติทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าใครก็ได้สินข้อฆ่าเนี่ยเพราะคนขาดสติเพราะคนเป็น คนขายสติดดเหมือนคนเป็นบ้าไม่รู้จักการยับยั้งไม่รู้จักว่าถูกถูกหรือผิดพราะขาดสติฆ่าใครก็ได้ขมโมยของใครของใครก็ได้ลาบระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้นี่แหละสีลข้อที่5เป็นสินที่อันตรายอย่างมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่กทานคณะสัตวทายญาติโยมลูกหลานทุกคน เมื่อเรารู้วว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้านี่มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอย่างที่ลูกพ่อได้อธิบายให้กับพวกเราเราท่านตั้งหลายฟังถ้าว่าโลกทั้งโลกมีศีลธรรมมีศีลห้าคุ้มครองโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขเอาเถอะเมื่อข้าพเจ้ารู้แล้วว่าศีลของพระพุทธเจ้าศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงถึงใครจะไม่รักษาแต่ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าข้าพเจ้าคนนึง จะรักษาศีลห้าที่พระพุทธเ จ, จ้าวางเอาไว้นี่แหละอันนี้หลวงพ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นต่างคนก็ต่างมองดูตนเองต่างคนก็ต่างมีศีลห้าเมื่อคนหนึ่งมีศีลห้าคนที่สองที่สามต่างคนก็ต่างมีมากมากไปเองเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องการผลของศีลห้าแต่เหตเุที่เราจะรักษาศีลห้านั้นะไม่มีใครจะรักษาแต่ต้องการผล ต้องการไม่อยากจะให้ใครมาฆ่าเราไม่อยากจะให้ใครมาขโมยของเราให้ครพบสิทธิสามีภรรยาของเราอย่ามาโกหกต้มตุนหลอกลวงเราอย่างนี้นหะอันนี้คือเราต้องการแต่ผลแต่เหตุต่างคน ต, งต่างไม่รักษาเพราะนั้นต้องรักษาเหตุที่ผลไม่จะตามออกมาเพราะนั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้คุณค่าของสินแล้ว ต่อนนี้ภงไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลต่อไปนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนาเิปุติงยันติตัสมาสีลังวิสสทาเยอาเชิญด่าโจงอาวาทาธรรมา สงทั้งสองในกายมีหลวงพอ่อบุญมีภูนาหลาวเป็นเป็นประธานสําหรับเป็นผู้นําแล้วก็เจ้าคณะอําเภอนามโสมที่หลวงพ่อเห็นเห็นแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งสองสาอเภออาเภอนายูงอาเภอนามโสมอําเภอบ้านรือ และอาจจะมีหลายอำเภอที่มาร่วมงานสวดอภิธรรมพระโูพระโูโอพาสวรรคุณคือเจ้าคณะอำเภอเ อ, อำเภอนาสมฝ่ายมหานิกายเพราะนั้นพวกเราทั้งฝ่ายทั้งสองนิกายได้มาร่วมกันสวดพระอภิธรรม เพื่อเป็นในงานศพของเราเพราะว่าท่านเป็นพระเถระที่มีอายุพัรษามากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นท่านเป็นหลักเสาหลักของอำเภอน้ำสงให้ฝ่ายพระสงฆ์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหม่เราเพราะนั้นพวกเราจึงได้พร้อมกันมาเพื่อประสานสมัคคี ในพระสงฆ์และก็พี่น้องประชาชนให้มาร่วมมารวมกันสวดพระอภิธรรมในวันนี้ก่อนที่จะสวดอภิธรรมคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ตลอดถึงศรัทธาญาโจมก็ได้กราบละธนาหลวงพ่ออินถวายเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้องยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แสดงธรรม ในวันนี้ถ้าหากว่าพวกเราคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทั้งหลายก็คงจะได้เคยได้ยินเอม MP สามวันนี้หลวงพ่อเองก็ไม่ได้นำมาแจกเพราะว่าหลวงพ่อแจกอำเภอนาโสมนา ย, ยูงนี่มากบางทีอาจจะเก็บไปเก็บไว้เฉยเฉยอาจจะไม่ได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้ถือมา้วยวันนี้แต่ถึงยังไง หลวงพ่อกเองก็มั่นใจว่าพวกเราอยู่ในกลุ่มในกลุ่มในหมู่ในคณะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในชุมชนในกลุ่มของพวกเราพวกเราก็อหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรรบกัน เ, เพื่อช่วยงานกันให้สำเร็จรุ่ร่วงอย่างวันนี้แหล ะ, ะท่านอาจารย์พระครูโอภาโวรคุณเจ้าคณะอำเภอเกทันป่วยอาพาธ โ ค, โครงสุดท้ายท่านอาจารย์พักโคภูนาลาวก็ได้ไปเข้าไปพบหลวงพ่อว่าจะพูดกับพวกคณะแพทย์คณะหมอได้ไหมหลวงพ่อเออไม่เป็นไรเพราะว่าผมเองหลวงพ่อเองก็ได้ช่วยทางโรงพยาบาลหลายหลายอย่างเพราะนั้นเดี๋ยวหลวงพ่อจะเป็นผู้แนะนำบอกกล่าวขอร้องทางคณะแพทย์หลวงพ่อขอครองไป ก็รู้สึกว่าได้รับความต้อนรับทุกหมู่ทุกเหล่าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าพวกเรารู้จักหล่ยหลายคนรู้จักมกคุณคนหนึ่งติดต่อทางหนึ่งคนหนึ่งประสานไปทางหนึ่งคนหนึ่งก็รู้ผลในสุดก็มาหันหน้าข้หากันปรึกษาปรัรบกันงานทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น นี่ก็เหมือนกันวันนี้พวกเราได้มาพร้อมกันเพื่อสวดอภิธรรมในเย็นวันนี้แต่ก่อนที่จะสวดอภิธรรมหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมตอนนี้ไปขอให้พวกเราทุกท่านอยู่ในความสงบอีกไม่นานหลวงพ่อก็คงจะเทศนานแล้วก็คงจะไม่นานแล้วจะไปคุยกันนะ่าไปสงเสียงแล้วก็จะไปใช้แฟดในการถ่ายภาพถ่ายรูป เพราะว่าหลวพ่อเห็นไหมหลวงพ่อพูดเนี่ยหลับตาพูดนะคือการพูดหลงพ่อออกมาจากทางด้านจิตใจไม่ใช่ว่าพูดตามำตําราพูดตามหนังสือที่อ่านออกมาแล้วก็พูดเพราะนั้นเมื่อการแสดงเติมและการพูดถ้าว่ามีเสียงรบกวนมีเสียงขึ้นมาสมาธิของหลวงพ่อเนี่ยเสียสมาธิในการแสดงคำจากนั้นก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในความสงบเป็นก่อนก่อนถ้าหากว่าเมื่ออยู่ในความสงบแล้วหลวงพ่อเทศจบแล้วมีอะไรจะค่อยว่ากันพูดกันทำอะไรกันต่อไปนะหลวงพ่อจะคงจะไม่พูดนานนะแต่จะให้เหตุผลในการแสดงธรรมและก็การมาแสดงธรรมแต่ละแห่งแต่ละหนหลวงพ่อทำด้วยความตั้งใจ เพราะนั้นขอให้อยู่ในความสงบก่อนนะอย่าเพิ่งพูดกันให้ฟังซะก่อนนะและยังมีอะไรยังค่อยว่ากันสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฟังหลายร้อยคนฟังตั้งใจฟังแต่เราไม่อยากใจฟังเราก็เดินเดินออกไปข้างนอกก็ได้นะพูดที่ต้องการฟังไม่อยู่เพราะออนั้นหลวงพ่อจะพูดให้คนฟังนะไม่ใช่พูดให้เสาสลานะ ไม่ได้ใช่พูดให้สาวสาลาฟังเราต้องรู้กาละเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลการเช่นนี้ควรทำอย่างไรสถานอย่างนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรบุคคลเช่นนี้เมื่อเข้าไปหาควร จ, จะแสดงตนแสดงความพูดจาพาธีอย่างไรอันนี้แหละถ้าเรารู้จักการสถานที่บุคคลไปณสถานที่ใด ทุกสิ่งทุกอย่างราบพื้นไปหมดนะคณะสัทายาญาติโยมถ้าไปที่ไหนถ้าไม่รู้จาักการสถานที่น้ามันขวางเขานะขวางยิ่งกว่าหมาคาบบั้งข้อหลามอีกนะตอนนี้ไปฝังนี้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะอะเนจาวตาสังขาราอุปาดาวะธรรมิโนอุปชิตวานิรุตสันติเตสังบูปสมโมสุขโขขยะวะยะธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติติ วันนี้กระผมหรือหลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทธิยคกถาในวันนี้คือกล่าวเรื่องความสลดสังเวทใจเราไม่คาดคิดแต่เราก็คาดคิดไว้ก่อนเหมือนกันแต่ถึงยังไงถึงจะคาดคิดยังไงเราก็ถึงยังไงก็เสียใจเพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งองค์ หลวงปู่หลวงตาของเราทั้งองค์รู้จักมักคุ้นกันมานมนานและก็มาจากไปไม่มีไม่มีวันกลับพวกเราทุกท่านทุกคนที่มาที่เกี่ยวข้องก็ต้องได้รับความกระเทือนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ถึงยังไงจะทำยังไงได้เพราะว่าพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตจะไม่มีใครหลีกเลีหนีพ้นไปได้เรื่องความตาย ทั้งที่พระพุทธเจ้าบรมมครูของพวกเราท่านเป็นต้นาศาสนาต้นาศาสนาถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วพระพุทธเจ้ากลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะพระพุทธเจ้านะพวกเราศึกษาดูให้ดีในพุทธประวัติเพราะเหตุไรเพราะท่านครองราชมาถึง29่สเก้าปีเป็นพระเจ้าแผ่นดินจากนั้นท่านก็เห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย แต่ก่อนหน้านี้ทำไมท่านไม่เห็นเหรออายุถึง29ปีเพราะว่าพระบิดาคือพระเจ้าสุดโททนะพอสิทธัตถะเกิดมาแบบอกอายุเจวันท่านลือสีที่เป็นที่รักในที่รักเคารพในตระกูลก็มาทำนายทายทักว่าสิท ธ, ธัตถะต่อไปภายภาคหน้าจะได้บวชจะได้เป็นต้นาศาสดาต้นพระาศาสนาท่านหนึ่งใหญ่ ในโลกแต่พราหมณ์อีกร้อแปคนก็ทํานายอีกว่าสิทธะจะได้ถ้าหากว่าออกบวชจะได้เป็นศาสดาหนึ่งในโลกแล้วก็ถ้ า, าว่าครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอันนี้ก็คือพราหมณ์ร้อยแปยเจคนทํานายแต่นี้พระเจ้าจุโทธทนะได้ยินอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ดูแลประครบประงมลูกชายของท่าน เหมือนกับเพชรในหินเลยท่านนี่รักษาลูกชายของท่านาท่านยังไงก็อยากจะให้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเพราะฉะนั้นพระจิทตถทะเจ ด, ดไปณนะสถานที่ใดจึงมีแต่ของสีวิไลของสวยงามให้จิตถทธธะได้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจะไม่ให้เห็นเห็นแต่ของสวยของงามาในเมืองจากนั้นพออายุของพระองค์ของจิตถทธธะอายุถึง29ปี พระบิดาก็เห็นว่าเออสิท ธ, ธิ์าคงจะอยู่ในโลกได้แล้วที่นี่ท่านก็วาวางมือลามือไม่ได้พิถีพิถันเพราะนั้นวันนั้นน่ะในเมื่อพอพระบิดาไม่ได้พิถีพิถันท่านก็จะเด็ดไปสมสวนอุทยานก็ไปเห็นคนแก่อันดับแรกเห็นคนแก่เห็น เ, เห็นผมขาวฟันหลุด หนังเหี่ยวหลังค่อมท่านก็ไม่รู้อันนี้เป็นใครอันนี้คืออะไรมันเหมือนมนุษย์แต่ไม่เหมือนมนุษย์เถามนายช น, นะช น, นะ น, นี้คืออะไรเพราะท่านไม่เคยเห็นช น, นะบอกว่าอันนี้คนแก่พระเจ้าค่าฮะทําไมแก่ทุกคนถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องแก่อย่างนี้ละพระเจ้าค่ะโอ้เราแก่ไหมแก่พระเจ้าค่ะเนี่ยอันนี้แหะคือความเออที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน ได้รู้เห็นเป็นครั้งแรกจากนั้นก็เห็นคนแก่และก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายและก็เห็นสมณะเห็นสมณะคือนักบวชแต่ไปเห็นเมื่อไปเห็นสมณะท่านกบอกเออสัมมนานี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้วุ่นวายกับใครนั่งอยู่โคลนต้นไม้ตามลําพังถ้าเราได้เป็นสมณะอย่างนี้เราจะไข่ควรทบทวนสิ่งเรื่องกล่าวต่างๆคงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ ถ้าหากว่าเราอยู่ในเวียงในวังภาระทุระของเราไม่รู้ว่ากิจทุระอะไรบริหารจัดการบ้านเมืองปกป้องประเทศชาติปากท้องพี่น้องประชาชนมีมากหลากหลายในการบริหารจัดการเราคงไม่มีโอกาสที่จะคิดค้นหาหนทางที่ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายคงไม่มีไม่ทำไม่ได้ถ้าเป็นอย่างสมณะท่านนี้ นั่งอยู่ตามลำพังลำพังที่โคลนต้นไม้เนี่ยเราคงทำได้คงจะหาหนทางได้นี่แหละอันนี้จากนั้นพระองค์ก็เลยเด็ดเสด็ดหนีออกไปบวชนี้ในกลางคืนนั่นเลยนะเออไปบวชที่แม่น้ามโนมาณทีอยู่ในฝั่งแมน่ม น, ามาน้าแม่น้ำมโนผาณมาณาีทดลองอยู่ผิดทดลองถูกถึงหกปีเออกทดลองการ ทีจะหาทางพ้นทุกจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดจากนั้นพระองค์ก็ได้พบผลทางคือวันเดือนหกเพนพบผลทางคือทานงทางตรัสรู้ท่านคือท่านตรัสรู้อะไรท่านนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบแล้วเกิดญาณรัศนะขึ้นร ะ, ะลึกชาติท้นหลังได้จยะวาปุเพนิวาสานุจติยานลำลึกชาติท้นหลังได้เนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้พวกเราศึกษาว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายืนยัน จากการพอถึงเชี่ยงคืนท่านก็อมองดูสัพพสัตทั้งหลายจุกตูปปาตยานการเกิดการตายของสรพพสัตทาไม่เออคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทาไมคนเกิดมาแล้วทุกจนต่างกันทำไมคนเกิดมาแล้วรูปร่างกลางตัวไม่ไม่เหมือนกันเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะอะไรพระพุทธองค์บอกว่ากรรมพอย้อนย้อ น, ย, อนย้อนไปดูว่ากรรม แต่ละคนแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคู่ขนมีกรรมเป็นปินแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครตามกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามให้ผลตามสนองท่านเรียกว่าอกตังลุกตังเสยโยปัจฉาตปติทุกตังกรรมชั่วหรือความชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วนั้นให้ผล ตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังไอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ในคืนวันเดือนหเพนธจากนั้นพระพุทธองค์ก็ได้ยกมาในพระไตรปิฎกในธรมรมปัททะกถาท่านพูดถึงเรื่องการเกิดการตายอันนี้ก็ควรพวกเราควรจะฟังเพื่อการศึกษาสมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีวัดป่าเชตะวันมหาวิหาร พระองค์ปารบถึงพระภิกษุองค์หนึ่งผ้าภิกษุองค์นั้นเป็นชาวุงสาวัตถีจากนั้นเขาก็ออกมาบวชพอบวชเป็นพระแล้วเขาก็ไปเที่ยวกรรมฐานเที่ยวทุดองในป่ากับสหธรรมิกกับหมูพวกเพื่อนศรัทธาญาติโยมเขาถวายผ้ามา พ, พับหนึ่งพับพับหนึ่งคล้ายๆว่าตัดผ้าจีวรได้ผืนหนึ่งจากนั้นเขาถวายมาแล้ว พระองค์นั้นท่านก็ได้ผ้าจีบอลผ้าพับนั้นมาเลยมาฝากไว้กับบ้านพี่สาวโยมพี่อาตมาได้รับผ้ามาพับหนึ่งอขอให้พี่โยมพี่เก็บไว้ก่อนนะถ้าอาตมาผ้าจีวรลของอาตมาชํารุดมันขาดอาตมาจะมาขอจะมามารับจากพี่สาวไปตัดเป็นผ้าจีบอลพี่สาวเออได้พี่สาวก็เลย รับแล้วก็เก็บไว้ให้น้องชายที่เป็นพระจากนั้นพระโอเนก็เที่ยวทุดงไปนักสถานที่ต่างๆจนผ้าจีวรชำรุดขาดจากนั้นก็กลับมาที่วัดป่าเชตะวันพระในวัดป่าเชตะวันก็มีหลายคณะเพราะว่าวัดวัดใหญ่มีคณะเหนือคณะใต้คณะกลางลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ใ้ท่านก็อยู่ในคณะหนึ่งแต่ท่านหัวหน้าคณะก็มี ถ้าหากว่ามีเรื่องเราก็ต้องไปหาหัวหน้าคณะบอกว่าท่านอาจารย์ครับผมจีวรจารดครับขอให้ท่านอาจารย์ประกาศหมู่พวกเพื่อนตัดจีวรเย็บจีวรให้ผมด้วยเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีจักเย็บผ้าเรื่องการตัดเย็บนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากในเรื่องของอตัดจีวรเพราะฉะนั้นท่านจึงมีพระวิ น, นัยรับรองว่าภิกษุเดินทางไกล ไปไปทางเรือบินทบบาทอยู่มากแลราะการบินทบัตทไม่พอฉันาการจีบอลก็จีบอลการแค่ๆว่าทําจีบอลให้ฉันปรำประโภชนะได้อันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ในการตัดเย็บจีบอลเพราะว่าถ้าว่าตัดลงไปแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างเอาคนละกขันคนรักอันนั้นการเย็บต่างคนก็อย่างเย็บประสานกันแต่และแต่และครั้งอะว่าลงแขกกันพูดง่ายๆ ลงแขกเย็บผ้าจีบอลแต่นี้พระองค์นั้นก็เข้าไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ประกาศในหมู่คณะเออพระองค์นั้นนะมาบอกกับผมท่านจีบอลชำรุดวันพรุ่งนี้นะตอนเช้าฉันจัดอหารเสร็จแล้วก็ให้มารวมกันที่ศาลาแล้วก็ตัดผ้าจีบอลต่างมาเย็บช่วยกันนะลงแขกนะพระสงฆ์ก็รับรู้รับสารพอจากนั้นก็ ได้เวลาแล้วก็มาตัดจีวรเพราะตอนกันต่างคนต่างเย็บผู้เป็นเจ้าของจีวรลคื on, on, อพระเอานี้ก็อเออเราควรจะไปบอกพี่สาวจัดอาหารเพนมาเลี้ยงยครูบาอาจารย์ที่ทําตัดผ้าจีวรอยู่ในขณะ น, นี้เขาก็ไปบอกพี่สาวพี่สาวก็เตรียมอาหารมาถวายพระสงฆ์ก่อนเพลนะ อ, อาหารก่อนเที่ยงพระสงฆ์ทั้งหลายก็จัด จัดเย็บยีวอลก็คงจะเหนื่อยต่างโอกก็ต่างฉันแต่น้องชายนี่ยก็คงจะอาหารคงจะถูกปากมั้งเพราะพี่สาวเป็นคนทําเนี่ย เ, เขาเขาเลยหม่าเอาจน อ, อิ่มแป้ะะเลยรตนี้อพอจแล้วกัพอผ้าเย็บบอลเสร็จเรียบร้อยเขาไปย้อมพอย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สีก็ได้ดีผ้าก็ได้ขนาด พอดีพอดีผ้าอาเ น, นี้ก็พอใจโอ้ถ้าหากว่าวันพวกนี้เราคงจะได้คลองผ้าผืนนี้แหละแต่เราได้ผ้าจีวรมานี่ยผืนนี้ถูกใจที่สุดในการเย็บการย้อมการตัดอะไรทําได้ดีมากเอพอใจในผ้าจีวรผืนนี้ะเออรักมากจากนั้นท่านก็เสร็จแล้วเขาก็ตากแดดพับไว้ในกุฏิของตนเองวันรุ่งขึ้นก็จะได้คลองผ้าจีวรผืนนี่แหะ แต่ทีนี้พอถึงกลางกลางคืนเธนี่พอถึงเที่ยงคืนอาหารที่ทานฉันเข้าไปน่ยมันเป็นเพชรเธนี่พออาหารเป็นเพชรเท่านั้นล่ะปวดท้องท้องอืดเข้าไปชัดติ่นชักงอพระองค์นั้นก็เลยตา ย, ยก่อนที่จะตายเลยคิดถึงผ้าจีบอของตนเองเธนี่โอ้ถ้าหากว่าข้าเนี่ยจะตายจริงหรือเนจะไม่ได้ใช้จีวรนผืนนี้แล้วหรือเนี่ยทําไม่พอคิดเท่านั้นก็ใจขาดปัด พอใจขาดเท่า น, นั้นล่ะดวงวิญญาณคือความรู้คือใจเนี่ย น, นี่แหละเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ความสํคาสคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจพอพระองค์นั้นใจขาดตายดวงวิญญาณคือใจของพระองค์นั้นเข้าไปถือปฏิสุทธิไปยึดผ้าจีวรลผืนนั้นเลยไปทํำยังไงไปเป็นตัวเลนตัวเลนตัวลา ต, ตัวเล็กๆไปอยู่ในผ้าจีวรลผืนนั้น เออใครเข้าว่าเกิดแบบผุดขึ้นเลยเพราะว่ากําเนิดของสรรพสัตว์เนี่ยมีอยู่ชราพุชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่สังเสทชะเกิดในเท่าในไข่โอปะปะเกิดผุดขึ้นนี่แหละกําเนิดกําเนิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็คือโอปะปาติกะเกิดผุดขึ้นในพาดีบอลเป็นตัวไรตัวเล่นอยู่ในนัดจากนั้นก็พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ พอรุ่งนี้พุ่งนี้เช้าพระจันายก็โจดขานกันแล้วว่าเอ้ยพระที่ตัดผ้าจีวรให้เมื่อวานเนี่ยตายแล้ว อ, อตายแล้วมือช้ามาตายแล้วมาคืนนี่ยคือพระสมัยก่อนพอองค์ไหนตายเขาก็จัดไปเผาเลยเพราะตายแล้วจะทํำยังไงทําเป็นปาร้าป า, าจอมก็ไม่ได้เพราะคนตายพระตายแปลว่าพระวัดป่าเชตะวันเน่ยท่านบอกว่าไม่กองฟืนควันนะั้นไม่เคยหายจางจาก วัดป่าเชตตะวันเดียวองค์นั้นตายแล้วองค์นี้แตเ่ตเพราะพระเยอะฮะบางทีท่านได้สาเร็จมรรคผลแล้วท่านก็เทงขันไม่เอาไม่อยู่ละท่านพันก็ไปนิพพานของท่านดับขันปรินิพพานแต่ใ น, นองค์นี้ตายเพราะว่าอาหารเป็นพิษจากนั้นพอเสร็จแล้วพระสงฆ์พวกนี้เช้าผู้เป็นหัวหน้าอาจารย์นี่ก็บอกยพระองค์นั้นตายแล้ว อ, อให้ร่วมกันจัดการเผาเนาะวันวันนี้นะ พระสงฆ์ทั้งหลายในกลุ่มในคณะกนะ็จัดการไปเผาพอเผาเสร็จแล้วก็นำบริขารของพระองค์นั้นน่คือบริขานคือเป็นสมบัติของพระองค์นั้น อ, องค์ไหนก็ต า, ตามที่ตายไปแล้วนี่ยต้องเอาสมบัติมากรองไว้ก่อนมีบาทมีจีวรมีสายประคตเอวมีสังฆาตาิมีอะไรเออมากองไว้จากนั้นก็ พระสงฆ์ในกลุ่มนั้นละในคณะนั้นละที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็นั่งนั่งร้อมรอบอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ก็ประกาศอะไรอยเี้ยเอเอพระองค์นั้นตายแล้วใครเป็นผู้อุปถากรายชิดท่านพระทั้งหลายก็บอกองค์นั้นครับเป็นผู้อุปถากรับบาดรับจีวรของพระอาจารย์ที่ตายไปนี้เออเอาให้ท่านเลือกเอาก่อนนะ เป็นบริขารของอาจารย์ของท่านท่านจะเลือกเอาอันไหนให้เลือกเอาก่อนให้สิทธิ์เออแต่ผมเอาบาทครับผมเอาจีบอครับเอ่อถ้าเอ า, เอาชิ้นหนึ่งจากนั้นองค์นั้นเอาแล้วก็ทีนี้ก็คณะสงฆ์ก็ลงมติกันละองค์ไหนพลาดจีบอลขาดมากกว่าเพื่อนในกลุ่มของเราเอาให้องค์นั้นก่อนนะองค์ไหนบาทไม่ดีกว่าเพื่อนเอาให้องค์นั้นอันนี้ก็คือการแจกบริขารในครั้งพุทธกาล พรบริขารหายากพระเยอะออแล้วก็ไม่ไม่มีลงถ่อผ้าเหมือนทุกวันนี้บาดกระเบื้อต่บาดดินเผากับบาดเหล็ก อ, อ, อยางอื่นบาดอย่างอื่นไม่ให้ใช้ต่างหากในพระวินัยเพราะฉะนั้นทางนี้ก็พอเผาองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาบริขารมาวางไว้ตรงกลางพระสงฆ์ก็นั่งนั่งร้อมรอบพอนั่งร้อมรอบอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าก็ประกาศเออพระที่ท่านจากไปแล้ว วันนี้พวกเราจะได้แจกอัิบริขานเออเอาเพื่อความเป็นธรรมให้องค์ที่เออมาที่อุปถรัรมภะท่านนั่นแหละรักเลือกก่อนองนี้พอประกาศได้เลยเลนตัวอยู่ในผ้าจีบอถึงมันจะเป็นเลนก็เถอะแต่ดวงวิญญาณมันใหญ่เออเหมือนกก่ใหญ่เหมือนดวงวิญญาณของพวกเรา เ, เออมันก็วิ่งอยู่ในผ้าจีบอบอกโอ้พระ จะแย่งผ้าจีวรข้าวพระเจ้ามันไม่คิดว่าตัวเองตายนะทีนี้ไอ้บอกว่าไอ้พระสงฆ์กาลังจะแย่งผ้าจีวรของข้าช่วยด้วยนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นอ่ะไอ้ใครเข้าเสียดายผ้า อ, อย่างแรงแต่เนี้พระสงฆ์ทลายก็เป็นหูหูธรรมดาใช่ไหมแหละไอ้มีเทหูกระเช้าหูกระช้าหูมอกขางไม่ได้ยินแต่พระพุทธเจ้าหูเทพทีนี้อยู่ที่พระคันทกุูดีพระพุทธเจ้าได้ยิน ได้ยินเสียงตัวเลนตัวไรมันร้องร้องขอความช่วยเหลือพระโองค์บอกว่าอาโนนไปไปยับยัง้งอย่าเพิ่งแจกอัฐบริขารในนั้นนะอย่าเพิ่งแจกนะไปไปห้ามไปไปเดี๋ยวนี้นะพระอนนท์ก็รีบมามาก็เลยบอกดูก่อนสงหมูเพื่อนทั้งหลายพระพุทธองค์มีพระบัญชาว่าห้ามแจกอัฐบริขารของพระที่ตายเมื่อวานเมื่อคือนนี้เอาไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับคําสั่งเป็นอย่างอื่นขอระงับไปก่อนครับผมพระเหล่านั้นก่อนเอ๊ะมีเรื่องอะไระแล้วเก็บบริขารนพราเก็บบริขารไว้เอ๊เพื่อรอคําสั่งอีกต่อไปจากนั้นเลนตัวนั้นอะอยู่ในผ้าจีวรมันไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ําอายุของเลนเนี่ยเวันนะท่านว่านะพออายุเจวันมันก็ตายเลนตัวนั้นตายพอตายแล้วอันนี้สงสีนของพระองค์นั้นน่ย มีอยู่อันนี้สงศีน์อันนี้สงภาวนาของท่านมีอยู่พอออกจากเรนตัวนั้นน่ะท่านก็ไปสู่สวรรค์ไปเกิดบนสวรรค์แต่ขณะที่มาเกิดเพราะอะไรเพราะใจของท่านเป็นห่วงหาอะไรห่วงผ้าจีวรผืนนั้นพราะขณะห่วงอะไรใจจะต้องไปเกาะที่นั่นก่อนเพราะฉะนั้นในเมื่ออยู่ที่นั่นแล้วก็คงจะเห็นทอดมันก็ไม่มีอะไรจากนั้นพอตายเรนตัวนั้นตายคือท่านก็ไปเกิดสวรรค์ พอไปสู่สวรรค์แล้วก็พระพุทธองค์ก็รู้ว่าเลนตัวนั้นตายและพระองค์นั้นไปสู่สวรรค์แล้วพระองค์ก็บอกว่าอานนนไปบอกพระเหล่านั้นแจกอัฐบริขารได้แล้วนะพระอานน์ก็รับพระบัญชาแล้วก็มาบอกอครูบาอาจารย์พระพุทธองค์มีพระบัญชาบอกว่าอัฐบริขารที่สั่งระงับในวันนั้นอขอให้แจกได้ได้นะได้แล้วนะครับผมแจกได้ ทีนี้พระสงก็เรียกประชุมกันประชุมพร้อมกันแล้วก็แจากอัฐบริขารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นพอแจกอัฐบริขารเสร็จแล้วทนี้ในใจเอ๊ะทำไมองค์อื่นพอแจกเสร็จแล้วก็แล้วไปแต่องค์นี้พระพุทธเจ้าทําไมมา ส, สั่งและก็มาแจกต้องมีเหตุแน่ๆนะไปะพวกเราไปกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยทั้งกรุบและเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า บอกว่าพระพุทธเจ้าขา่าพระอานน์ได้สั่งแล้ระรับไม่ให้แจกอัฐบริขารแต่วันนี้ก็ได้สั่งให้แจกอัฐบริขารได้ข้าพระองค์มีความสงสัยเหลือเกินว่าเหตุอันใดเนอะเป็นเจ้าขา่าจึงสั่งแล้ระรับพราะพระองค์บอกว่าสงฆ์ทั้งหลายพระที่ตายในวันนั้นน่ะพอตายแล้วเขานึกห่วงหาอะไรนึกห่วงผ้าจีวรของเขาอย่างมากเพราะนั้นเขาจึงตายพอตายแล้วเขาก็ ไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรอยู่ในผ้าจีอวอเวลาพวกท่านทั้งหลายจะแจกเขาก็วิ่งร้องอขอความช่วยเหลือถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายแจกผ้าจีวอลผืนนั้นความขัดเคืองในใจของตัวเรนนั่นนะเออความไม่พอใจความโกรธในตัวเรนพอตายแล้วเขาจะไปสู่นกรกเพราะอะไรเพราะเขาตายด้วยความโกรธเพราะนั้นเราเห็นความาเราเห็นอนุเคราะห์ ดวงวิญญาณเพราะว่าเขาจะไปสู่สวรรค์ได้อยู่เพราะอเนกสงศินอเนกสงปฏิบัติธรรมของเขามีอยู่เขาจะได้ไปสวรรค์เพราะนั้นเราตถาคตรเราจึงสั่งระงับไม่ให้พวกท่านทั้งหลายแจกแต่บัด น, นี้เอาเถอะเขาไปสู่สวรรค์แล้วพวกท่านทั้งหลายเราจึงให้พวกท่านทั้งหลายแจกบริขาร น, นี่แหละที่หลวงพ่อพูดมาแนะนํามานี่มาในพัตรไตรปิฎกนะคณะศทาญาิโยมโ ล, ลูกหลาน เพราะฉนั้นหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านแล้บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าว่าพวกเราเป็นห่วงหาอะไรเรื่องอะไรถ้าพวกเราห่วงบ้านอย่างนี้เออหรืว่าห่วงบ้านเออตายไปแล้วเนี่ยห่วงบ้านอาจจะมาเกิดเป็นตุ๊กแกเป็นหนูเออเป็นหมูหมากาไก่อยู่ในบ้านก็ได้เพราะในพระไตรปิฎกมีพูดไว้มากในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลาย กอกอนที่จะถึงวันนั้นควรจะทำจิตทำใจให้ภาวนาให้ทำใจเอาไว้เราจะไปห่วงอะไรในร่างเรื่องต่างๆขนาดร่างกายของเราเอามาจากท้องแม่ของพ่อข้องแม่แท้ๆอีกสักวันหนึ่งเราก็จะไปเผาไปทิ้งอยูเออ่เพราะนั้นเราต้องไม่ไม่ตองห่วง เ, เรื่องออร่างกายหรือว่าเรื่องบ้าน ยศถาบรรดาศักด์เงินคาทรัพย์สมบัติสามีภรรยาลูกหลานมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละขนาดร่างกายแท้แท้ยังไม่ใช่ตัวตนของเรายังไม่ใช่ของเราเราจะไปห่วงหาอะไรในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรนะใจนะนี่นี่แหละถ้าว่าพวกเราได้ภาวนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะรู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดเบิ่งในช่วงหนึ่งว่าพระพุทธองค์นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำลดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติเพาะหน้าแต่หลวงปู่มั่นที่เป็นกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ เกือบจะว่าทั่วโลกก็ไม่น่าจะผิดออพอลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่้าวหลวงปู่ฟัน่นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่ต่างๆจนมาถึงออพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานหลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนว่าเวลาภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างพระพุทธเจ้านะโดยมากจะหลงจะเผลอได้ง่ายให้กําหนดพุทโธสามทับเข้าไปด้วยนะเวลาหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโทนี่อันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านให้สำทัพกรรมฐานสองอย่างพนวกกันแต่ใ น, นหลักธรรมกรรมธรรมกรรมฐานกรรมฐาน40อย่างพุทธานุสติธรรมมานุสติสังขารศีลาจาคาเทวตามรณะนุสติอาณาปานสติอุปสมานุสติเอานุสติ10แต่หลวงปู่มั่นเอาสองอย่างพุทธากับอาณาปานสติบวกกัน น, นี่แหละ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายการภาวนาได้่ยทำอย่างไรมีคนถามเมื่อวานมากน่ก่อนเออก่อนที่จะนั่งภาวนาต้องไหว้พระสวดมนต์ทำวัดซะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับถึงจะถูกต้องหลวงพ่อว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้านเราอยู่ตามลําพังใช่ถ้าอยู่ที่วัดของเราอยู่ที่บ้านของเราไม่ได้ไปไหน เ, เราก็ควรจะอย่างวันนี้อตอนพระค่ำหมดภาระจิจทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าห้องพระ กาพระสก่อนอรหังสาวาคขาโตสุปฏิปัโ น, โนกนมโมตัดสาพุทธทางธรรมังสังขังสุดแท้แต่เราจะสวดอะไรได้สิฮะชินะบัรซรเนี่เราจะสวดอะไรก็ได้พอสวดเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาอรหังสกิตโตโหมินิทพ โ, โหมิหรือเราจะแผ่เมตตาด้วยภาษาใจของเราก็ได้ข้าพปเจ้าจงเป็นสุผู้อื่นจงเป็นสุ ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินอันนี้ก็คือแผ่เมตตาแบบพวบรัตภาษาใจจากนั้นก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายปนมมือซะก่อนพอขาขวาทับขาซ้ายและเสร็จเรียบร้อยแล้วเราปนมือขึ้นระหว่างอก ไหว้ครูสกอดพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆ ค, คือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะการนั่งสมาธินี้ไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนําคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสโ ร, รอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านประกาศเป็นพระธรรมคาสอนออกมาจากนั้นพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาประกาศมาบอกกล่าวให้กับพวกเราเพราะนั้นเราจึงขอ เคารพศักระไหว้ครูซะก่อนพุ ท, โทธรรโธธทำโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงจากนั้นก็หายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทพุทโธพุทธโธอันนี้ก็คือเมื่อเราอยู่ในโบตามปกติอยู่ในบ้านและอยู่ในที่วัดของเราแต่ถ้าเรานั่งรถเราจะไปไหว้พระได้ยังไงเพื่อเรานั่งรถไปคนอื่นเป็นคนขับรถเอา้เอาเอาเถอะ ชีวิตของข้าถึงจะนั่งในรถไปก็เถิดชีวิตมันไม่รู้ว่าจะพลิกคว่ำเมื่อไหร่ตายได้ทุกเวลานะเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะเพราะฉะนั้นเราควรจะภาวนาเราก็นั่งหลับตาเลยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรียก ว, ว่าบริกรรมบอกพุทธานภาเวนะธรรมานุภาเวะานเวะสังขารุภาเวนะด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองในการเดินทางของข้าพเจ้า ในครั้งนี้ด้วยเทอินนพุทด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพ น, นี่เราก็ภาวนาเหมือนกันเราไม่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกอันนี้แหละคือเราอยู่ณสถานที่ใดเราภาวนาได้ทางนั้นเพราะฉะนั้นการภาวนาไม่เลือกการสถานที่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสต า, า, าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะการภาวนาตี่ทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วเป็นยังไงใจที่เป็นสมาธิ จิตใจรวมสงบเป็นคณิกะอุปจาระอัปนาใจมีอยู่สมระดับนะสมาธิมีอยู่3ระดับคณิกะคือจิตใจสงบชั่วขณะหนึ่งอุปจาระอุปจาระคือวิจาระแปลว่ายังจิตใจ ย, ยังเคลื่อนยังไหวอยู่แต่ว่าเคลื่อนไหวด้วยสติควบคุมไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ศาสเพราะเหตุไรเพราะสติควบคุมจิตอยูเอ่เหมือนกับ เ, เรามัด บัวมัดควายเอาเชือกมัดไว้อย่างนั้นอ่ะมันมัดไปไม่ไม่หนีไปที่ไหนเพราะสติของเราล่ามไว้อยู่ผูกไว้อยู่อันนี้คาว่าอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอันนี้คืออัปปนาสมาธิจิตที่แน่วแน่แนบนิ่งแล้วก็ไม่รับรู้ทางเสียงข้างนอกอีกเสียงรถเสียง ฟ้าตกฟ้าร้องเสียงอะไรก็ตามจะไม่รับรู้เพราะมันไม่ได้ส่งออกมาทางกายมีแตร่รู้รู้มีแตร่รู้กับรู้อยู่ในใจเท่านั้นเองไม่ส่งออกมาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตใจเป็นเอ ก, กเทศนี่แหละจิตที่สงบอย่างนี้นี่แหละยืนยันได้เลยว่าพวกเราถ้าทําจิตใจให้สงบอย่างนี้ได้พวกเราไม่ต้องถามใครวัดตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ ตายแล้วเกิดทางนั้นพ่อยไรตัวที่จะมาเกิดนั่นแหละคือใจคือนา ม, มะธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธเจ้าตรันว่ามโนโปุพังคมาธรรมมามโนเสรามโนโมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วร่วยใจหลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นได้ชัดเพราะทุกวันนี่เรามาที่นี่ก็นั่งรถมาไปที่ไหนก็นั่งรถไปหลวงพ่อก็เลยบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถ แต่ส่วนจิตใจคือหนมามมารมตัวผู้รู้รู้เหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนี่ไม่เหมือนกันนะไม่ใช่อันิงอันเดียวกันรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเพราะท่านท่านจึงยกไปว่ามนโนปูพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าในเมื่อร่างกายแตกตายสลายลงสู่ดินน้ําลงไปใจดวงนี้ไม่มีป่าชา้าออกจากร่างกายตรงนี้ ไปปฏิสนธิไปหาเกิดที่อื่นได้เหมือนกับตัวเรนตัวไรอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วนะนั่นหละ่ะพวกเราจะไปที่ไหนถ้าชาระจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นกับเข้าสู่นิพพานถ้าจิตใจเป็นสมาธิเกิดเป็นพรมเกิดเป็นฌานอยู่ในฌานก็ไปสู่พรม อันในสงทานอันในสงสีนก็ไปสู่สวรรค์หรือมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉนั้นสรุปแรกก็คือคนที่ทําความดีความดีจะตามสนองถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลเป็นทุกตกนรกหมกไหมไปเกิดเป็นสัตย์ทิฏฐิฉานนานับประ ก, การในครั้งพุทธกาลมีมากต่อมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เราให้เป็นผู้ มุ่งมั่นตั้งใจประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีอยากเลิคิดลิพูดลิรมในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อเราทำลงไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละจะตามมาให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ยกพุทธภาิ์เบื้องต้นว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงคือสังขารสังขารภายนอ ก, กนคือ ต้นไม้ภูผาป่าไม้สัตว์สาราสิงห์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ภายในของเราก็คือร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนเท้า อ, อันนี้ก็คือไม่เที่ยงตลอดถึงใจของเราตีนึกคิดเดี๋ยวก็นึกอย่างนั้นเดี๋ยวก็คิดอย่างนี้นก็ไม่เที่ยงอีกเหมือนกันเพราะนั้นจึงว่าสังขารโอปาทาวะยาธรรมเมโนโอเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับจริงไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งหมดเดียวมันจะดับช้าระดับเร็วเท่านั้นเองแต่ซึ่งทั้งหลายก็ต้องดับทั้งหมด อุปเช ต, ตวานีรุจันติเตสังบูปสโมสรสุขโขการระงับดับสังขารเป็นสุขจากพระพุทธเจ้าพระหนานตสาวกที่ท่านดับสังขารท่านไม่มาเวียนไหวตายเกิดอันนั้นคือเป็นบรมประสุกจากนั้นพระพุองค์ก็ได้สั่งว่าขยะวยธรรมมาสร้างคาราสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยหอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด อันนี้ก็คือปัดฉิมโอวาดของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันเดือนบกเพนนันพระพุทธองค์ได้สั่งวาจาคํานี้แหละขยะวยะธรรมมาสร้างคาราสรัางขานทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วก็ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเพราะฉะนั้นเราอยู่ในเป็นเป็นหมู่เป็นคณะในเมื่อเราทําประโยชน์ให้กับตนไม่เดือดร้อนเราก็ควรควรจะช่วยเหลือ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ด้อยกว่าเราจะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้อย่างไรอันนี้แหละคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้ า, จาเพราะฉะนั้นขอวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่เบื้องต้นสังเว ท, ทนิยกถาความสลดสังเวทใจอย่างที่หลวงปู่ลําดวนหลวงพ่อลําดวนของเราท่านเจ้าคณะอาเภอของเราที่ท่านจากไปอายุของท่านก็ถ้าจะว่าไปแล้วแก่กว่าหลวงพ่อ 10ปีพอดีพอดีนะพวกท่านเกิดเจ็ดสิบแปดหลวงพ่อเนี่เกิด88ดสิบเป็นพี่ของหลวงพ่อ10ปีนี่แหละท่านก็ได้จากไปแต่ถึงยังไงท่านก็ประกอบคุณงามความดีอพอสมควรตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กมาบวชในพระพุทธศาสนาท่านประกอบคุณงามความดีบุญกุศลของท่านคงจะเกื้อกูลหนุนท่านให้ไปสู่ความสุขความเจริญ เพราะนั้น ถ, ถึงยังไงก็ตามพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะหายตายไปวันไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นก่อนที่จะจากจากไปและก่อนที่จะตายไปนั่นเราอุ่นใจและอย่างเรามีคุณงามความดีเรามีบุญและอย่างใจของเราได้สั่งสมบุญไว้หรืออย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเตือนใพ่อในช่างทองที่กรุงสาวัตถี พ่อในช่างทองนอี่หมกมุ่นในการทํามาค้าขายขายทองแต่ละวี่แต่ละวั น, แ ต, วนแต่ลูกชาย เ, เด็กหนุม่มเข้าวัดไปฟังเทศพระพุทธเจา้าพอไปฟังแล้วก็โอ้โหพระพุทธเจา้พพจาพูดตรงจริงๆพูดถูกจริงๆแต่พ่อของเราเนี่ยทำไมไปหาจุงเหยงวุ่นวายกับ เ, เงินคำทรัพย์สมบัติเพียงแค่นี้มันเอาไปไม่ได้หรอกทําไมพ่อของเราเนี่ยจึงรุ่มหลงอย่างนี้ แต่บอกก็เหมือนอย่างว่าพ่อสอนลูกสอนพ่อเนี่ยจะฟังได้าที่ไหนไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้พิยพโอดพิดยพโอดพูดทาไม เ, เรื่องของโก้เลยว่าลูกควรจะทํำยังไงได้แต่ทอนี้ก็ เ, เราควรจะกราบพระพุทธเจ้าเพราะว่าคิดถึงพ่อสองสารพ่ อ, อไปกราบพระพุทธพระพุทธเจา้าค่ะขอพระองค์โปรดเมตตา ไปเสวยประกายอาหารที่บ้านใรร้านของกระผมด้วยเธินพระเจ้าค่าพระองค์ก็เห็นอุปนิสัยทั้งลูกทั้งพ่อทั้งครอบครัวจะเป็นผู้ได้จะได้สำเร็จเป็นพระสูดาบันพระองค์ไปต้องมองนะต้องมองเห็นประโยชน์ซะก่อนพระองค์จึงรับนะพระองค์ก็รับนะพะอ่อรับเสร็จแล้วก็ลูกนายช่างทอนไปจัดบ้านตัวเองเอตอนรับพระพุทธเจ้าทีนี้พ่อนะ ถ้าหากว่าลูกชายจัดขนาดนั้นตัวเองจะไม่ใส่ใจได้อย่างไร ใ, ในเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพราหมณคนนี้ก็เข้าไปแสดงความเคารพไปถวายพัฒหารพร้อมกับลูกๆทั้งหลายลูกทั้งหลายเขาก็ทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระหรันต่สาวกพร้อมกับพระสงฆ์สาวกหลายองค์ที่มาสู่ที่บ้านอย่างนั้นพอถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็ฉันพัทหารเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพราหม์ ท่านพรงเตือนแล้วนะทีเดูก่อนเรผ่าท่านจะต้องได้เดินทางไกลนะท่านจะต้องได้เดินทางไกลท่านได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้หรือยังที่ท่านจะเดินถ้าหากว่าท่านไม่ได้เตรียมเสบียงเดินทางไว้ท่านทุกแน่นะเพราะว่าท่านไม่มีบุญพูดง่ายๆท่านไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ท่านไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรไว้ พอท่านตายไปแล้วนะท่านจะพึ่งพาอาศัยอะไรบุญกุศลของท่านไม่ได้ทำเอาไว้ท่านทุกแน่นะท่านต้องเตรียมไว้นะแล้วก็คิดไปด้วยว่าเราท่านจะไปพักที่ไหนในการเดินทางอุปกรณ์เดินทางของท่านมีพร้อมระอย่างถ้ำยังไม่มีให้เตรียมไว้นะถ้าท่านไม่เตรียมไว้ท่านต้องได้รับทุกเพราะนั้นเออท่านต้องเออคิดไว้ในอนาคตว่าการต่อไปภายภาคหน้าจะต้องได้เดินทาง พรามได้ยินเท่านั้นเลยสะดุงเลยโอ้โหใช่เราจะต้องตายตายแล้วเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องเออเป็นเครื่องนําทางเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้า น, นจิตใจพรามณตอนนั้นก็เลยสลดสังสลดใจจากนั้นก็ประกอบคุณงามความดีไม่นานเขาก็ได้สําเร็จพระโสดาบันเออที่ได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพร้อมบทลูกๆทั้งหลายนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านก็สอน สอนคนในยุคสมัยนั้นเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินทำคําสอนของพระพุทธญาติที่ท่านเตือนในครั้งนั้นก็เหมือนกับเตือนพวกเราเหมือนกันที่หลวงพ่อบอกว่าเทวทูตเขาเตือนมาจดหมายมาไม่รู้กี่ฉบับแต่พวกเราก็เฉยทํา้องไม่รู้ร้อนเผอเผลออย่างอีกถ้าผมขาวก็ย้อมผมซะแต่ตามไม่จริงเป็นจดหมายเตือนของพญามัจจุราชจดหมายเตือนมาแล้ว ท่านระวังนะผมท่านขาวแล้วนะฟันท่านหลุดแล้วนะตาท่านฝ้าฟางแล้วนะหูท่านตึงแล้วนะหนังท่านเหี่ยวแล้วนะจดหมายของยมมาโทษเขาเตือนมาเป็นระยะระยะแต่เราเนี่ยเฉยไม่ได้สนใจนูน่นจนไปไม่รอดจริงๆจึงค่อยไกลขาแล้ว คอยตายไปจะไปต่อว่าพระญายมย ม, มโทษท่านพระญายมโทษเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมกับข้าเลยเอาข้ามาโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวเนี่ยย ม, มโทษที่ไหนได้เขาเตือนแล้วเขาเตือนไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วแต่ตัวเองไม่ฟังเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่นั่งอยู่ที่นี่ย ม, มโทษเตือนพวกเรากี่ฉบับจดหมายนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองก็ได้เตือน ทั้งห ล, หลวงพ่อด้วยเตือนทั้งพวกเราทุกๆกท่านด้วยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นการกล่าวสังเวทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเธิน